จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุษลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาปลูกฝังมเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนา ของการตัดสรูของมรรคผลนิพพานให้อย่างลึกลงไปสู่ในดินเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงตัวเองให้เจริญเติบโตให้ออกดอกออกผลให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ไปตลอดการมาวัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อมาปฏิบัติตาม ภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาบหมายให้พุทธศาสนิกชนได้กระทํากันนั้นเป็นเหมือนกับการปลูกเมล็ดพืชของพระศาสนาเป็นเหมือนกับการดูแลทํานุบํารุงรักษาเมล็ดพืชนั้นให้เจริญ ง, งอกงามเติบโตขึ้นมา กายเป็นต้นไม้ใหญ่ในเบื้องต้นต้องอาศัยการทำนุบำรุงดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในะระยะแรกที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม้ต้นไม้ต้องอาศัยผู้อื่นคอยให้น้ำคอยปรนดินคอยใส่ปุ๋ยและคอยกําจัด มแมงต่างๆที่จะมาทำลายต้นไม้นั้นไม่ให้เจริญ ง, งอกงามแต่ถ้าหลังจากที่ได้ดูแลรักษาจนถึงขั้นที่ต้นไม้สามารถยือยู่ตามลำพังของเขาได้แล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต่อไปเพราะต้นไม้สามารถ ดูแลเลี้ยงดูตนเองได้นั้นใดเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องอาศัยการปลูกฝังต้องหมันรดน้ำรวนดินต้องหมันคอยดูแลกำจัดละแรงและวัชพืชต่างๆไม่ให้มาทำลายต้นของพระพุทธศาสนา เมื่อเราดูแลไปจนกระทั่งต้นของพระพุทธศาสนานี้หลังอย่างลากรลงลึกในจิตใจของเราแล้วจนกลายเป็นลิสัยสันดานไปต่อจากนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีศาสนาหรือมีคนมาคอยสอนมาคอยบอกมาคอยชักจูงเราไป ในทางของพศศาสนาเพราะใจของเราจะไปในทางของพระพุทธศาสนาโดยถ่ายเดียวดังนั้นการตลุกฝังมเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนาของการตัดสู้ของมรรคผลนิพพานจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใกล้ชิดในระยะเบื้องตน้นคือเราต้องหมั่น ดูแลรักษาใจก็คือเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนานี้ให้อย่างอย่างรากลึกลงไปต้องมาวัดบ่อยต้องปฏิบัติธรรมบ่อยต้องทำบุญให้ทานบ่อยจนกลายเป็นนิ ส, สัยไปเมื่อกลายเป็นนิ ส, สัยแล้วก็จะรักที่จะ ทำบุญทำทานรักที่จะรักษาศีลรักที่จะปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดจะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญอีกต่อไปเพราะใจนั้นมีพระพุทธศาสนาฝังลึกอยู่ในใจแล้ว สามารถบำเพ็ญสามารถปฏิบัติไปตามลำพังของตนจนถึงมรรคผลนิพพานได้ <c oughs> ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของพระพุทธศาสนาด้วยการบำเพ็ญบารมีต่างๆ ซึ่งเปรียบเหมือนกับการรดน้ำครววดินให้ปุ๋ยกำจัดวัชพืชแล ะ, มะแมลงต่างๆไม่ให้มาทำลายต้นของพระพุทธศาสนาให้ตายไปนี่คือหน้าที่ของเราถ้าเราปรารถนาการตัดสรุปาราธนาการ บรรลุถึงมรรคผลนิพพานปรารถนาถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราจำเป็นจะต้องมันดูแลรักษามเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนาปลูกฝังลงไปในดินรดน้ำพวนดินจนกลายเป็นต้นไม้ ใหญ่ขึ้นมาด้วยการบําเพ็ญทานบารมีคือการให้ให้ในสิ่งที่เรามีไม่จำเป็นต้องไปหาในสิ่งที่เราไม่มีถ้าเราไม่มีแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องบําเพ็ญแต่เรามีเพราะในตัวเรานี้นอกจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วเรายังมีอย่างอื่นอีกเรามีวิทยา ทานเรามีอภัยทานเรามีธรรมทานที่เราสามารถมอบให้คนอื่นได้นอกจากวัตถุทานวัตถุทานก็หมายถึงข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างที่ญาติโยมนำเอาม า, มาถวายพระในวันนี้เรียกว่าวัตถุทาน แต่นอกจากวัตถุทานแล้วเรายังมีวิทยาทาน<ม>เรามีความรู้ที่เราสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้สั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีทำอะไรต่างๆได้โดยที่เราไม่ไปคิดเัินคิดทอง<ม>เรียกผลตอบแทนก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันแล้วเราก็ยังมีอภัยทาน คือเรารู้จักให้อภัยเวลาเราไม่สบาย อ, อกสบายใจกับใครแทนที่เราจะาคาดพยาบาทเราก็ให้อภัยให้อภัยแล้วเขาก็ปลอดภัยจากภัยของเราที่เราจะไปทำกับเขาและเราก็ปลอดภัยจากเวรกรรมที่จะตามมา เมื่อต่างฝ่ายต่างสงบต่างฝ่ายต่างนิ่งปัญหาต่างๆก็หมดไปถ้าเราไม่ให้อภัยเราไปปองร้ายไปทาร้ายเขาก็จะมีโทษตามมาไหนจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางไหนจะถูกเข้าจองเวรจองกรรม ไหนจะต้องทุกข์ทรมาณรุ่ม ร, ร้อนในจิตในใจถ้าให้อภัยทานได้แล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีเลยจะมีแต่ความสงบเย็นสบายนี่ก็คือสิ่งที่เราให้ได้คืออภัยทานนอกจากนั้นเรายังให้ธรรมทานได้เรามาวัดเรามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติ เราก็พอรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดรู้วิธีที่จะทำใจให้สงบให้สบายไม่ให้รุ่มร้อนเวลามีเพื่อนมีคนที่รู้จักเขาตกทุกข์จิตใจเศร้าหมองมีความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าเขามาขอที่พึ่งจากเรา แล้วเราให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็จะช่วยคลายความทุกข์ของเขาได้ถ้าเขานำเอาไปปฏิบัติเช่นสอนให้เขาให้อภัยถ้าเกิดเขาเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็สอนให้เขาให้อภัยเสียแทนที่จะไปส่งเสริมให้เขาไป อาฆาตพยาบาทจองเวจองกรรมเรากับสอนให้เขาให้อภัยเพื่อจิตใจของเขาจะได้สงบเย็นสบายนี่ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อมาบำเพ็ญทานบรารมี คือวัตถุเงินทองนี้สำหรับผู้ที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนี่หมายถึงคนเหล่านี้ให้เขาเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นสร้างทานบา ร, รมีถ้าเราไม่มีเราก็บาเพ็ญบา ร, รมีอย่างอื่นเช่นศีลบารมีต่อไปเลยศีลบารมีก็คือศีลทั้งห้าข้อมีเช่น ละเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเทศเสศสรายาเมาเราก็ต้องพยายามรักษาให้ได้รักษาได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้บา ร, รมีมากขึ้นเท่านั้นต้นไม้ของพระพุทธศาสนาก็จะอย่างรากลึกลงไปในดินมากขึ้นเท่านั้นจ ะ, จะเจริญตอบโตเร็วขึ้นเท่านั้นนี่คือ ศีลบารมีนอกจากนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญในกขมมะบารมีก็คือการออกจากกามสุขไม่หาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพพาเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบถือศีลแปดละเว้นจาก การเสพการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการนอน บ, น, อ น, บนที่นอนอันสูงใหญ่ที่นิ่มเช่นฟูกหนาๆแต่นอนแบบเรียบง่ายนอนกับพื้นไม้ปูเสือ่อปูผ้านอน ไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนเพียงแต่อาศัยการหลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายให้มีกำลังเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาบาเพ็ญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการไหวพระสวดมนต์นั่งทำสมาธิจนจิตสงบตัวลงแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขอื่นๆ เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้เสดได้ได้มาเป็นสมบัตินี่คือเนคขมมะบา ร, รมีคือรักษาศีลห้าข้อแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกสามข้อเป็นแปดข้อด้วยกันเรียกว่าศีลบวชเป็นเนคขมมะบา ร, รมีแล้วก็บำเพ็์เมตตาบา ร, รมี ด้วยการแผ่จิตใจที่ดีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขให้ปราศจากความทุกข์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่จองเวรจองกรรมกันไม่เบียดเบียนกันนี่คือการแผ่เมตตาคือตัวเรานั่นแหละต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต้องไม่จองเวรจองกรรมผู้อื่นต้องมองผู้อื่นเป็นเหมือนญาติมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนปรารถนาให้เขามีแต่ความสุขและความเจริญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาบารมีแล้วก็ให้เจริญอุเบกขาบารมีก็คือทาจิตใจให วางเฉยปราศจากอารมณ์ต่างๆเช่นยินดียินร้ายโลภโกรธเพราะอารมณ์เหล่านี้จะพาให้จิตใจไปทำในสิ่งที่เสื่อมเสียตามมาต่อไปจะทำให้จิตใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขถ้ารู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขา วางเฉยได้แล้วจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นเพราะใจสามารถแยกตอนออกจากสิ่งต่างๆได้เช่นเราอยู่ที่นี่เราแยกตัวเราออกจากเหตุการณ์ต่างๆที่บ้านเราตอนนี้ที่บ้านเราจะเป็นอย่างไรใจของเราก็ไม่ได้ มีอะไรกับเหตุการณ์ที่บ้านเลยเพราะเราไม่ได้ไปรับรู้ไม่ได้เอามาถือเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เราอยู่ที่นี่ใจของเราเย็นสบายปราศจากความวุ่นวายใจต่างๆเป็นอุเบกขาเนื่องจากเราได้ฟังเทศฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้ ใจของเราวุ่นวายเพราะเรื่องต่างๆนั้นเราก็ไปขัดไปขวางไปห้ามไม่ให้เขาเกิดขึ้นได้ถ้าเขาจะเกิดเขาจะเป็นเราก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราเราห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องต่างๆได้ด้วยการแยกใจออกจากสิ่งต่างๆ ในขณะนี้เราแยกด้วยการพาใจมาอีกที่หนึ่งปล่อยให้เรื่องที่อยู่ที่บ้านให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจแต่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราไม่สามารถแยกกายออกจากเหตุการณ์ได้เราก็ต้องแยกใจด้วยการทำใจให้เป็นอุบเบกขา วิธีทำใจให้เป็นอุเบกขาก็คืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่กำลังทำให้เราวุ่นวายใจให้คิดถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแลลึกแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปในใจหลับตาไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรับรู้เรื่องที่กำลังสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป หรือจะอยู่กับบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้ให้สวดไปไดเรื่อยๆจนกว่าจะิืมเรื่องที่สร้างความรุนวายใจให้กับเราเมื่อลืมได้แล้วใจก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นอุเบกขานี่คือการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีด้วยการเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบ ให้เย็นให้เป็นอุเบกขาอย่าไปรับรู้เรื่องที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราไม่สามารถที่ไปห้ามเรื่องราวต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้เมื่อใจเราสงบแล้วใจเราจะเห็นว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถอะไม่สําคัญอะไรเพราะใจของเราสุข ใจของเราสบายอยู่แล้วแม้นต่อไปเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปใจของเราก็สามารถอยู่อย่างสงบอยู่อย่างปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายได้เพราะเรามีอุเบกขาเรารู้จักทาจิตใจของเราให้สงบให้นิ่งให้ปล่อยวางนี่คือการบําเพ็ญ อุเบกขาบารมีและบารมีอีกขั้นหนึ่งก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้จะช่วยให้เรากําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้เพราะเรื่องของความวุ่นวายต่างๆนั้นเกิจดจากความหลงความไม่รู้ทัน ในเรื่องราวต่างๆที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วยเราไม่รู้ทันเรื่องของความไม่เที่ยงของความทุกข์ของความไม่มีตัวตนเราถูกความหล ง, งหลอกให้เราเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่ไปอย่างถาวรจะให้ความสุขกับเราว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี่เป็นความหลงเป็นความรู้ไม่ทัน ตางความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่มีปัญญารู้ทันความหลงคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราด้วยการเจริญปัญญา พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นกันได้แต่เราไม่เราไม่ไมดูกันเราไม่มองกันเองมีอะไรบ้างที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวลาเราออกมาจากท้องแม่เราก็ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้เวลาเราตายไปเขาเอาไปเผาก็ไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างนี้ต่อไปเหมือนกันก็จะกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปนี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงร่างกายของคนอื่นก็ไม่เที่ยง ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะได้ไม่อยากเราจะได้ไม่หวังให้ให้อยู่ไปนานๆเพราะเป็นไปไม่ได้ไม่หวังว่าจะอยู่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยอุเบกขาคือปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับการเป็นการไป ของสิ่งต่างๆของเรื่องต่างๆของบุคคลต่างๆเมื่อเขาถึงเวลาที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาที่ต้องตายจากเราไปก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราดูแลได้ก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าอยู่สุดวิสัยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาน่ คือนี่แหละคือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆพอสิ่งนั้นจากเราไปเราก็ต้องทุกข์ใจเสียอกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ทันรู้ว่าเรายึดติดกับอะไรไม่ได้เพราะยึดติดแล้วจะทำให้เราทุกข์มีใครอยากจะทุกข์บ้างไม่มีใครอยากทุกข์ แต่ที่ทุกกันก็พราะรู้ไม่ทันเพราะความหลงหลอกให้ยึดให้ติดแต่ถ้าเราสอนใจเราอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เรายึดติดได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามสภาพของเขาต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปใจของเราจะรู้ทันจะปล่อยวางจะไม่กล้ายึดติดกับอะไรการไม่ยึดติดก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราขาดอะไรไปเราก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมยังมีสามียังมีภรรยายังมีบุตรมีธิดามีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเหมือนกันเพียงแต่เราไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเอง เมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเราก็ยินดีที่จะให้เขาไปไม่ว่าใจะจะด้วยเหตุผลกลไกใดเขาอาจจะอยากจากเราไปเพราะเขาเบื่อที่หน้าเราเขาไปชอบคนใหม่ก็ปล่อยเขาไปหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปก็ปล่อยเขาไปหรือเขาต้องย้ายที่ต้องไปทำงานทาการที่อื่น ไม่ได้อยู่กับเราก็าปล่อยเขาไปเราก็อยู่ของเราได้เพราะเรามีอุเบกขาธรรมจิตของเรามีความสงบเรามีปัญญาเราไม่หลงยึดติดกับอะไรเราสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาให้ความสุขกับเราเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความทุกซ่อนอยู่ทั้งนั้นได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขพอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปสิ่งนั้นเสียไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจมีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเรารู้ทันล่วงหน้าแล้วเราไม่หลงยึดติดเราเพียงแต่มีความจำเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อาศัยไป แต่ถ้าเราอาศัยไม่ได้เขาต้องจากเราไปก็ให้เขาไปถ้าเรายังมีความจำเป็นเราก็หามาใหม่หาได้ก็ดีหาไม่ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีความสามารถที่จะหามาได้แล้วต้องตายไปก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอย่างไรไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไร แต่ถ้าใจไม่วุ่นวายใจเป็นอุเบกขาใจปล่อยวางใจมีปัญญาแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นปล่อยได้อายุจะสั้นจะยาวไม่สำคัญอะไรเพราะใจไม่ได้ยึดติด ก, กับอะไรในโลกนี้แล้วใจมีสมบัติที่เลิศที่ประเสริฐอยู่ในใจแล้วก็คือความสงบที่ไม่เสื่อมคลาย ด้วยอำนาจของบา ร, รมีทั้งหลายที่ใจได้บำเพ็ญมาจะส่งใจให้ได้ถึงขั้นตัดสรู้ถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้นี่แหละคือการปลูกฝังมเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนาให้เจริญนอกงามปลูกฝังมเมล็ดพืชแห่งการตัดสรู้ป ปูกฝังเมล็ดพืชแห่งมรรคผลนิพพานด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมากันจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรูถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ตัดสรูถ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกก็เรียกว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ความหมายก็คืออันเดียวกันได้บำเพ็ญจิตของตนเองจนถึงจุดสูงสุดคือพรานิพานถึงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้จะมีศาสนาหรือไม่ก็ตามถ้าลองรากของภระาศาสนาได้อย่างลึกลงไปในนิสัยสันดา์แล้ว ไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนชาติใดก็จะสามารถเจริญพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจให้จนถึงขั้นสูงสุดให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้เลยไม่จำเป็นต้องอาศัยพระพุทธศาสนาภายนอกอีกต่อไป พระพุทธศาสนาภายนอกนั้นเป็นเหมือนที่เราไปขอรับมเมล็ดพืชมาปลูกไว้ในใจของเราเมื่อเราได้รับมเมล็ดพืชมาแล้วคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราก็น้อมเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราเพื่อเป็นการปลูกฝังมเมล็ดพืชของพระพุทธศาสนานี้ให้อยู่ในใจ ให้เจริญเติบโตให้รากหยั่งรุกลงสู่ในใจจนกลายเป็นนิสัยสันดานไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่ก็ตามก็ไม่เป็นปัญหากับเราเอีกต่อไปเพราะเรามีศาสนาอยู่ภายในใจแล้วถึงแม้คนอื่นจะมาหลอกให้เราไปทำบาปทำกรรมเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หลอกให้เราไปซื้อไปเช่าวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้มาห้อยคอก็เพียงแต่หลอกไปเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถหลอกให้เราหลงตานเขาได้เพราะเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความเจริญรุ่มเรืองอะไรเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขอะไรเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสิ้นสุดสิ้นสุดแห่งการ แห่งความทุกข์ทั้งหลายก็คือบุญบา ร, รมีที่ได้แสดงไว้นี่เองจึงขอให้ท่านมันบำเพ็ญบุญบา ร, รมีกันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีก็ดีศีลบา ร, รมีก็ดีนิคขมะบา ร, รมีก็ดีเมตตาบา ร, รมีก็ดีอุเบกขาบา ร, รมีก็ดีปัญญาบา ร, รมีก็ดี ขอให้ท่านบักเพงไปเรื่อยเพราะนี่แหละคือการดูแลรักษาต้นไม้ของพระพุทธศาสนาให้อย่างลึกลงไปในจิตในใจของเราแล้วให้เจริญเติบโตงอกงามกลายเป็นมรรคผลนิพพานไปในที่สุดจึงขอให้ท่านจงมีความยินดีต่อการ ได้ประพุติปฏิบัติตามพระธรรมคอสอนขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่าเป็นทางเดียวเป็นทางที่เลิอกที่วิเศษที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และบุญกุสลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแถวคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ